สี่การได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่หายากในโลกนี้การเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากอย่างไรก็เพราะว่าจำนวนของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกเมื่อเปรียบกับจำนวนของสัตว์เดรัจฉานนั่นมี มีน้อยมากจำนวนของมนุษย์นี้มีน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมากการจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีพ่อแม่เป็นมนุษย์ถึงจะเกิดได้และมนุษย์ก็มีลูกน้อยมีครั้งละคนสองคนหรือสมัยนี้บางทีก็ไม่มีเลยไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเขามีลูกที่เป็นฝูง จำนวนของสัตว์เดรัจฉานนี้ก็มีมากมายมากกว่ามนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่าดังนั้นโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงยากกว่าโอกาสที่จะได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็คือสิ่งที่หายากประการหนึ่งประการที่สองก็คือการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ก็เป็นของยากมากนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุแล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งการจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีมาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นกลับเป็นกันด้วยกันถึงจะสามารถบรรลุ ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าจึงมีจํานวนน้อยมากนานๆจะมาบีสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้จะทิ้งช่วงห่างกันมากมีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนกับองค์นี้ก็มีระยะเวลาหลายกับหลายกันด้วยกัน คำว่ากับด้วยกันนี้ก็เป็นจำนวนปีที่ยาวนานมากที่เราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขเช่นล้านปีนี้เรายังเขียนได้1นล่เลขหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็เลขศูนย์6ตัวแล้วก็ลล้านปีแต่1นึกับนี้ไม่รู้จะต้องเขียนเลขศูนย์กี่ร้อยตัวถึงจะได้เวลา1นึกับ ยังก็สรุปง่ายๆก็ขอให้รู้ว่านานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสราโและมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งและสิ่งที่ยากข้อที่สามก็คือการดำรงชีพก็เป็นสิ่งที่ยากเกิดมาแล้วก็จะมีภัยต่างๆมาคอยทำลายชีวิต บางคนเกิดมาได้วันเดียวก็ตายไปบางคนก็ตายหลังจากเจ็ดวันบางคนก็เดือนหนึ่งบางคนก็ปีหนึ่งบางคนก็สองปีสามปีมีคนตายอยู่ทุกระยะอายุจะมีคนที่อยู่ได้ถึงอายุแปดสิบเก้าสิบปีนี้ก็น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของคนที่เกิดมาแล้วต้องตายไปก่อนนี่ก็คือการของยากอีกอย่างหนึ่งและของยากอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากเพราะว่าการที่จะศึกษาปฏิบัติได้ หก็ต้องเป็นมนุษย์ก่อนสองต้องมีพระพุทธศาสนาถ้าเกิดมาไม่ได้เป็นมนุษย์แต่มีพระพุทธศาสนาเช่นมาเกิดเป็นนกในป่าในเขานี่เป็นสัตว์ที่อยู่ในเขานี้ถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้พระพุทธศาสนา ใช้ภาษาของมนุษย์เป็นคำสั่งคำสอนเป็นความรู้ผู้ที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้จึงต้องเป็นมนุษย์อย่างนั้นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธศาสนาแล้วยังต้องมีชีวิตอยู่ด้วยถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนา แต่ถ้าตายไปก่อนเกิดมาแล้วตายไปในวันที่เกิดหรือเจวันหรือหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีก็ถึงแม้จะได้เกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่มีความสามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เพราะไม่สามารถศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นผู้ใดที่มีสิ่งที่หายากนี้สี่ประการด้วยกันก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคกลาบอันมหาศาลเป็นผู้ที่จะสามารถรับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาได้ประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมอบให้กับเราได้เท่ากับประโยชน์ ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเรา <Yeah. S 1> ก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้วิธีดับทุกข์วิธีหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด <Yeah. S 1> ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะนําตนเองให้หลุดพ้นจากความ ทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะไม่รู้ทางไม่รู้วิธีที่จะดับการเวียนว่ายตายเกิดต้องรอให้มีคนรู้คือพระพุทธเจ้ามาตัสรู้แล้วก็นําเอาความรู้คือวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนนี่ คือสิ่งที่หายากสี่ประการในโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่ครั้งเอถูกลอตเตอรี่รางวัลครั้งที่หนึ่งที่หนึ่งครั้งแรกก็ยากพอสมควรแล้วเราต้องมาถูกลอตเตอรี earlier, ่รางวัลที่หนึ่งถึงสี่ครั้งด้วยกันนี้คิดดูว่าจะยากขนาดไหนแล้วเมื่อเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้ว สิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันถ้าเราถูกรัตตลี่แล้วเราไม่ขึ้นรางวัลรัตตรี่ที่เราถูกก็เป็นแค่กระดาษใบเดียวก็จะไม่ได้มีอะไรมีรางวัลให้กับเราถูกรัตตลี่แล้วเรายัางต้องไปขึ้นรางวัลเราถึงจะได้รับรางวัลทันใดการที่เราได้พบกับสิ่งที่หายากสี่ประการนี้ แล้วเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลของสิ่งที่เราจะได้รับจากสิ่งที่หายากสี่ประการนี้ก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลก็คือเราก็ต้องไปที่วัด ไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วรู้ว่าต้องทำอะไรเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ไปปฏิบัติรางวัลก็จะไม่ปรากฏคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่ง จะทําให้เราได้หลุดพ้นจะทําให้เราเหลือการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติะและเจ็ดชาตินี้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายปิดประตูอบายได้ถึงแม้จะเคยทํำบาปทากรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามวินีคือวิธีลบกรรมมีคนถามคําถามว่าทําอย่างไรถึงจะอะ ลบกรรมได้ล้างกรรมล้างบาปได้ก็ต้องไปขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือต้องไปได้รับรางวัลขั้นที่หนึ่งคือขั้นของพระโสดาบันถ้าได้บรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันก็จะปิดอบายไดกรรมที่เคยทำมามากน้อยเพียงไรก็ถูกลบล้างไปได้หมดไม่ต้องไปเกิด เป็นเดลฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกจะมีพบชาติเหลือของการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดภพชาติเป็นอย่างมากแล้วก็จะได้เลื่อนขึ้นสู่รางวัลขั้นที่สองคือขั้นภระส ก, กิดาคามีถ้าได้ขึ้นสู่ขั้นภระส ก, กิดาคามีการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหลือเพียงชาติเดียว แล้วถ้าได้ขึ้นไปสู่ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หมดไปไม่ต้องมาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแบบมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็พอได้ขึ้นรางวัลขั้นที่สี่คือขั้นพระอาหารหันต ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมไม่ต้องเกิดในสวรรค์ชั้นเทพไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสวรรค์นี่คือพระนิพพานที่พระอรหันต์จะได้เป็นจะได้ไปอยู่ เป็นที่อยู่ของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าของผู้ที่ได้ขึ้นรางวันของพระพุทธศาสนาที่เป็นของที่หายากอย่างยิ่ง น, นี่คือประโยชน์ที่จะได้รับถ้าเราได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการนี้ด้วยกัน่ะคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์สองได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสาม ได้มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายและสี่ได้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติตอนนี้เรามีอะไรบ้างเราขาดอะไรบ้างในการที่เราจะไปรับรางวัลจากสิ่งที่หายากสี่ประการนี้ตอนนี้เราก็ได้เป็นมนุษย์แล้ว เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ยังมีชีวิตอยู่เรายังได้ดำรงชีวิตเรายังได้รักษาชีวิตให้อยู่ได้อยู่ไม่ยังไม่ตายเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่และเราตอนนี้ก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เรายังไม่ได้กระทาก็คือการปฏิบัติ เราได้ปฏิบัติกันหรื อ, อยังได้ปฏิบัติแล้วได้รับผลของการปฏิบัติหรื อ, อยังอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเราขาดอะไรในการที่เราจะมารับรางวัลของจากสิ่งที่หายากสี่ประการนี้เหมือนกับเวลาที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะต้องไปขึ้นรางวัล วิธีขึ้นรางวัลเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างต้องมีเอกสารยืนยันความเป็นตัวเป็นตนของเราต้องมีลอตเตอรี่ใบที่ถูกเขาถึงจะให้รางวัลกับเราได้อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาพิจารณาดูเราก็เป็นมนุษย์แล้ว ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเอยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันการฟังเทศน์ฟังธรรมของเราฟังแบบไหนฟังแบบทัพพีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นกับแกงเอถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช้ไม่ได้ต้องฟังแบบลิ้นกับแกง คือฟังแล้วต้องเข้าใจอสิ่งที่เราฟังอไม่ใช่ฟังแบบเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาอการฟังแบบทัพพีในหม้ อ, อกแกงฟังอย่างไรก็ฟังแบบใจลอยไม่ได้ตั้งใจฟังเวลาฟังใจก็ยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่ หรือไปทำอะไรอยู่ไปเดินไปยืนไปเดินไปทำอะไรต่างๆถ้าฟังทำแบบนี้ก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรไม่ได้รับประโยชน์เต็มร้อยฟังแล้วอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจหรือฟังแล้วอาจจะฟังไม่ถูกฟังแล้วเข้าใจผิดก็ได้เพราะไม่ได้ฟังอย่าง ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องอาจจะฟังแล้วไปจับแพะชนแกะเข้าก็ได้นี่คือฟังแบบทัพพีในหม้อแกงถ้าฟังแบบนี้แล้วก็จะไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้การจะฟังเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จาเป็นต้องฟังแบบลิ้นกับแกง ลิ้นนี้พอได้สัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงเผ็ดเป็นแกงหวานเป็นแกงจืดจะรู้ทันทีการจะฟังธรรมเพื่อให้รู้ให้เข้าใจทันทีนี้ต้องฟังอย่างจดจอ่อใจต้องไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องฟังใจต้องอยู่กับ เรื่องที่กำลังฟังอยู่อยู่กับธรรมที่กำลังฟังอยู่เท่านั้นวาจาก็ไม่ไปพูดคุยกับใครร่างกายก็ต้องนั่งนิ่งเฉยเฉยไม่ไปทาอะไรถึงจะสามารถสัมผัสกับรสของธรรมได้อย่างเต็มที่เหมือนกับลิ้นกับแกงจะรู้ว่าธรรมที่ฟังนั้นสอนให้ทาอะไรบ้าง ให้ทำอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรและวิธีทำํำต้องทําอย่างไรเราก็นําเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัตินได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามี ขั้นอรหันได้เกดจากการฟังธรรมแบบดิ้นกับแกงการฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรไม่ขยับเขยื้อนวาจาก็ต้องไม่พูดไม่คุยกันใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่น ให้คิดอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสพิจารณาตามอถ้าพิจารณาตามแล้วก็กจะเข้าใจเช่นนี้ท่านตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นก็จะเข้าใจว่าเรานี้มีโชคมากที่ได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการด้วยกันคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายและมีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอันนี้คือสสิ่งที่หายากสี่ประการถ้าเราศึกษาแล้วเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่เหมือนกับรางวัลที่หนึ่งที่เราถูก ถ้าเราถูกกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลถ้าเราถูกแล้วเราไม่ไปขึ้นรางวัลการถูกวรอตเตรี่ก็ไม่ ม, ไมีไม่มีความหมายอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับคนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนายังไม่ตายแต่ไม่มาวัดไม่มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วไม่เอาลอตเตอรีนะ่นั้นไปขึ้นรางวัล น, นั้นเองลอตเตอรี่ใบนั้นก็เป็นเพียงแค่กระดาษเปล่าๆใบหนึ่งเท่านั้นไม่มีรางวัสรงวี่รางวัลอะไรการจะได้รางวี่รางวัล น, นี้ต้องเอาลอตเตอรี่ใบนั้นใบแรกไปขึ้นรางวัลก็เหมือนกับที่พวกเราที่ได้มา พบกับสิ่งที่หายาก4ประการนี้คือเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่และเรากำลังได้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันสิ่งที่เราขาดก็อยู่เหลืออยู่เพียงสองสิ่งเท่านั้นก็คือนําเอาคำสอนไปปฏิบัติแล้วเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้ว เราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติได้รับรางวัลการจะได้รับรางวัล น, นี้ก็อยู่ที่การปฏิบัติหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเราต้องปฏิบัติรางวัลทั้งสี่ขั้นถึงจะปรากฏขึ้นมารางวัลที่จะทําให้ภพชาติของเราการเวียนว่าตายเกิดของเรานี้น้อยลงไปตามลําดับตั้งแต่เจ็ดชาติลงไป เหลือชาติเดียวเหลือศูนย์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไปเกิดเป็นพรหมไปติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็หลุดออกจากสวรรค์ชั้นพรหมตามลําดับด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันดังนั้นสิ่งที่เราต้อง ทำในตอนนี้ก็คือศึกษาแล้วก็ปฏิบัติถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็ต้องศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลได้รับรางวัลที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ เราจะไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นรางวัลถึงแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราได้เรามีชีวิตอยู่แต่เราจะไม่มีพระธรรมคำสอนเราจะไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเราก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่จะทาให้เรา ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ตอนนี้เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราควรจะทำให้มากก็คือหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยโดยเฉพาะสมัยนี้เป็นสมัยที่จเจริญก้าวหน้าในเรื่องของ สื่อสารข้อมูลต่างๆไม่เหมือนสมัยโบราณการจะศึกษาการฟังเทศ์ฟังธรรมแต่ละครั้งนั้นจำเป็นจะต้องไปที่วัดไปศึกษากับพระที่วัดแต่สมัยนี้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้ถูกใส่ไปในสื่อต่างๆ สามารถฟังได้ทุกแห่งทุกขนทุกเวลาการฟังธรรมจึงเป็นของง่ายเมื่อเปรียบกับสมัยโบราณสมัยโบราณนี้ต้องรออาทิตย์ละหนึ่งครั้งรอวันหยุดทางานแล้วก็ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดกัน่สมัยนี้เราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมง ได้ทุกวันทุกเวลาที่เราต้องการจะฟังเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงา น, นี้ให้หลุดมือไปโอกาสที่เราจะได้บรรลุธรรมนี้มีมากกว่าสมัยโบราณเพราะยิ่งฟังมากก็จะยิ่งเข้าใจมากเมื่อยิ่งเข้าใจมากก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การบรรลุธรรมก็จะเป็นของที่ปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วดังนั้นขอให้เราเอาเวลาที่เราไปใช้กับสิ่งอื่นนี้สิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องไปทำเอาเวลาเหล่านั้นมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเอามาปฏิบัติธรรมจะดีกว่าอย่าปล่อยให้เวลาที่เรามีนี้หลุดมือไป เพราะมันจะหมดไปแต่ละวันแต่ละวันเวลาที่จะเหลือให้เราปฏิบัตินี้มันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้าเราช้ากับเวลาเวลาหมดไปก่อนที่งานของเราเสร็จเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์ถ้าเราตายไปแล้ว เวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในคราวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ได้แล้วถ้าจะรอให้มีพระพุทธศาสนาอันใหม่ปรากฏขึ้นมาก็ต้องรอเป็นเวลาอีกยาวนานเป็นหลายกับหลายกันด้วยกันเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลายครั้งหลายคราวด้วยกันกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา อันใหม่ตอนนี้เรามีพระพตศาสนาอันเก่าแล้วอันที่เราสามารถใช้ให้เราเกิดประโยชน์ให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยเวลาอันมีค่าโดยเอาเวลาไปทําอะไรต่างๆที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจ และนอกจากไม่มีคุณไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นการาเพิ่มพบชาติให้แก่จิตใจเสียอีกถ้าเราไปทำอะไรตามความอยากเช่นอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิน่นอยากเที่ยวอยากซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆอันนี้เป็นการกระทำที่จะเพิ่มพบชาติ เพิ่มการเวียนว่าตายเกิดให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะทำให้พบชาติน้อยลงกลับทำให้เราต้องมากับมาเกิดแก่เจ็บตายเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆการกระทาเหล่านี้เราควรที่จะหยุดมันแล้วเอาเวลาที่ไปกระทาสิ่งเหล่านี้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาไปปฏิบัติจะดีกว่าเพราะการศึกษาการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นการตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตามลำดับนั่นเองงั้นสิ่งที่เราต้องพยายามทำก็คือเอาเวลาที่เราเอาไปใช้กับกิจกรรมต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องทำ กิจกรรมที่เราต้องจำเป็นต้องทำก็มีแค่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เท่านั้นเองคือเราต้องเลี้ยงร่างกายเราดูแลร่างกายเราเราก็ต้องมีอาหารให้ร่างกายรับประทานมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะเอาเวลา นี้มาเวลาที่เหลือเวลาที่เราไม่ต้องใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายนี้มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อทำคําสอนของพ่อพระพเจ้าเพราะถ้าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นมันก็เป็นการไปเพิ่มพบเพื่อนเพิ่มชาตินั่นเองเช่นไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากการไปดูไปฟังอะไรไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลง ไปงานเลี้ยงต่างๆไปเที่ยวไปเล่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เล่นต่างๆกิ <_ p id> จกรรมเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวแต่มันจะทำให้เราติดแล้วจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพื่อมาทากิจกรรมเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆการที่เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราไปติดกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองพอติดแล้วก็เหมือนคนติดยาเสพติดต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลาไม่ได้เสพนี้มันทุกข์ทรมานใจทนไม่ไหวอยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็เลยต้องไปหามาเสพพอไม่มีร่างกายพอร่างกายตายไปใจที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี้ก็จะเป็นผู้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอไปเกิดแล้วก็ต้องไปทุกข์กับร่างกายอันใหม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไปแก่ไปเจ็บไปตายกับร่างกายอันใหม่ดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ต้องเปลี่ยน กิจกรรมของเราแทนที่จะไปทำกิจกรรมตามความอยากต่างๆความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอามาใช้กับการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เราเลิกกิจกรรม เลือกติดกับกิจกรรมทางตาหูจมูกิ่งกายได้ก็จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่จิตตายต่อไปได้ดังนั้นเราต้องคอยสอดส่องดูพฤติกรรมของเราว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังทํากิจกรรมที่จะส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดหรือทํากิจกรรมที่จะมาตัดการเวียนว่ายตายเกิด กิจกรรมที่ส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวไปดูไปกินไปดื่มไปฟังตามความอยากต่างๆอันนี้จะส่งเสริมให้มีการเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกิจกรรมที่จะทำให้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม หรือถ้าไม่ได้มาวัดก็ฟังเทศฟังธรรมที่บ้านที่ที่ไหนก็ได้เรามีสื่อที่เราสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้แต่ว่าเวลาเราฟังเทศฟังธรรมขอให้ฟังแบบจริงจริงจังจังดีกว่าอย่าฟังแบบครึ่งคึ่งกลางกางคือทำอะไรแล้วก็เปิดฟังไปถึงแม้ว่าจะดีกว่าการ ฟังเพลงหรือฟังละครฟังอะไรก็ตามแต่มันก็ยังดีไม่เต็มที่ผลที่จะได้รับจากการฟังแบบครึ่งๆกลางๆมันก็จะได้เป็นครึ่งๆกลางๆจะไม่ได้เต็มที่นั้นเราจะเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราต้องทำงานอะไรก็ทำไปตั้งใจทำดีกว่าอย่าไปฟังทำตอนที่เราทำงาน พรถ้าเราตั้งใจฟังถ้าเราตั้งใจทางานเนี่ยแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติ ท, ทาไปในตัวคือการตั้งใจนี้ก็คือการตั้งสตินั่นเองถ้าเราทํางานก็ขอให้เราตั้งใจอยู่กับการทํางานให้เรามีสติอยู่กับการทํางานเราก็จะได้ปฏิบัติทาควบคู่ไปพร้อมกับการทํางานคือเราก็จะมีสติ สร้างสติขึ้นมาถ้าเราไม่คิดอต้องเป็นสติแบบไม่คิดถ้าเป็นสติแบบคิดนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสติทางธรรมสติทางธรรมนี้ต้องไม่คิดเช่นงานที่เราทํานี้ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นกวาดบ้านถูบ้านเอรับประทานอาหารอาบน้ําแต่งตัวเเป็นกิจกรรมที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเออ อยากคิดเวลาที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้ให้เพียงแต่ตั้งใจกระทาอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่จะพาให้เราไปสร้างภพสร้างชาติเพราะเราคิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะอยากคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาเดี๋ยวเราก็อยากจะไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าถ้าเราควบคุมไม่ให้คิดได้ ความอยากที่จะไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพก็จะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีการกระทำเมื่อไม่มีการกระทาก็จะไม่มีการสร้างภพสร้างชานั่นเองดังนั้นถ้าเราจะฟังเทศฟังธรรมอย่าฟังพร้อมๆกับการทำงานเกไว้รอเวลาที่เราไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรอย่างตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไร ล้าเรามานั่งเฉยๆมาฟังดีกว่าเพราะเราจะได้ฟังได้อย่างเต็มร้อยฟังได้อย่างถูกต้องเพราะถ้าเราฟังแบบทำงานไปด้วยเราจะฟังแบบไม่ครบฟังแบบขาดๆเกินๆแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกแล้วผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาจะเสียเวลาเพราะเรา ไม่ได้ฟังอย่างถูกต้องแม่นยำพอเราไปปฏิบัติก็เลยไม่ได้ปฏิบัติแบบถูกต้องแม่นยำมันก็เลยไม่ได้เกิดผลขึ้นมาเสียเวลาเปล่าๆถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาจะมีการปฏิบัติแต่ไม่ได้เป็นการศึกษาปฏิบัติที่ถูกต้องแม่นยำนั่นเองคือไม่ได้เป็นสุปฏิปันโนไม่ได้เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าเป็นการปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบต้องทําให้ถูกตามขั้นตอนของการศึกษาของการปฏิบัติถ้าจะฟังเทศฟังธรรมจะศึกษาก็ต้งตั้งใจฟังทุ่มเทจิตใจของเราให้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวอย่าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเพราะไม่ชนะแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์ และจะทำให้เราหลงทางทำให้เราคิดว่าเรากำลังได้ศึกษาได้ปฏิบัติแต่จะไม่ได้รับผลจากการศึกษาจากการปฏิบัติเพราะเราเริ่มต้นที่ผิดนั่นเองเริ่มต้นที่การฟังเทศฟังธรรมที่ไม่ถูกลักษณะของการฟังเทศฟังธรรมฟังแบบทับพีในหม้ อ, อกแก่ไม่ได้ฟังแบบลิ้งกับแก ก็เลยฟังแบบผิดๆถูกๆไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรแกงเผ็ดหรือแกงจืดหรือแกงหวานก็จะทําให้เราไม่ได้รับผลที่เราต้องการเช่นอยากจะกินแกงเผ็ดแต่ทับเพีไม่รู้ว่ามันอยู่ในแกงจืดพอตักแกงแกงจืดไปกินมันก็ไม่ได้ไม่ได้แกงเผ็ดเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นแกงจืด เหมือนคนที่ไม่รู้ตักแกงอะไรก็ไม่รู้อยากกินแกงเผ็ดแต่ไปตักเอาแกงจืดเข้าเพราะไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นการศึกษาที่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญมากอย่าอย่าไปทำแบบทับพีในหม้อกแกง จะทำก็ต้องทำให้มันแบบถูกต้องเต็มร้อยก็คือต้องกายวาจาใจที่สงบถึงจะเรียกว่าเป็นการฟังธรรมที่ถูกต้องที่จะได้รับประโยชน์เต็มร้อยถ้าเรายังไม่มีเวลาฟังก็รอไว้ก่อนให้เรามีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ดีกว่าเช่นเวลาขับรถก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถจะดีกว่าแบ่ง ใจให้เราไปขับรถครึ่งหนึ่งแล้วมาฟังธรรมครึ่งหนึ่งเพราะเวลาเกิดเกิดเหตุกระทนหันขึ้นมาเรากําลังฟังธรรมอยู่อาจจะไปะไปขับรถชนกับคันอื่นได้เพราะเราไม่ได้อยู่กับการขับรถดฉงนั้นเราต้องเอาทำยอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าทําให้มันเต็มร้อยไปอย่าทําแบบครึ่งๆึกลางกลางเพราะเรา พะไม่ช่นนั้นแล้วผลเราจะไม่ได้เต็มร้อยหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้ถ้าต้องขับรถก็ขับไปมีสติกับการขับรถไปอันนี้ก็จะได้การปฏิบัติเลยการปฏิบัติก็คือการมีสตินี่เองมีสติอยู่กับการขับรถอย่าไปเปิดธรรมะฟังแต่อยากจะฟังธรรมะจอดรถก่อนแล้วค่อยเปิดธรรมะฟัง จะได้ประโยชน์เต็มร้อยได้ธรรมะเต็มร้อยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าอย่าทำแบบโบราณที่เขาว่าจับปลาสองมืออยากจะได้สองตัวก็เลยจับสองมือมือซ้ายตัวมือขวาตัวหนึ่งแต่จับด้วยมือเดียวนี้ปลามันดิ้นได้เดี๋ยวมันก็ดิ้นหลุดไปทั้งสองตัวมือขวาก็หลุดมือซ้ายก็หลุดเอาตัวเดียวดีกว่าจับปลาสองมือดีกว่า ถ้าเอาปาเอามือสองมือจับปลาตัวเดียวนี้มันจะมั่นคงกว่ามันจะแน่นอนกว่าปลามันจะดิ้นหลุดได้ยากกว่าฉันใดการฟังเทศฟังธรรมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นทําอะไรทําให้มันเต็มร้อยอย่าไปทําแบบครึ่งคึ่งกลางกลางทําแล้วมันจะไม่ได้รับผลเย่างถ้าอยากจะฟังเทศฟังธรรมก็ หยุดกิจกรรมต่างๆนั่งเฉยๆไม่พูดคุยกับใครไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดอยู่กับเสียงธรรมที่เรากำลังได้ฟังถ้าเราคิดตามธรรมเราก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจรู้ว่าอ๋อทำไมเราต้องทาอย่างนี้ทำไมเราไม่ทาอย่างนั้นเพราะธรรมนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ลืม บางท่านฟังทาแล้วก็จดขณะนั่งฟังแล้วก็จดไปอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะว่าเวลาจดก็จะไม่ได้ฟังสิ่งที่เรากําลังจดเรากําลังจดทมที่เป็นอดีตแล้วส่วนทาที่ปัจจุบันเราก็จะไม่ได้ยินเพราะเราต้องมาคอยจดทาที่เราได้ฟังที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้แล้วพอเรากลับมาฟังอีกทำที่เราไม่ได้ฟังก็ผ่านไป เราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำที่เรากําลังฟังตอนนี้มันเกี่ยวกับทำที่ผ่านไปเมื่อกี้อย่างไระงั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการจดจําบันทึกเนี่ยการฟังธรรมนี้เราไม่ต้องจดจําไม่ต้องบันทึกเราฟังให้เข้าใจเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ลืมทำที่เข้าไปในใจแล้วมันจะฝังอยู่ในใจมันจะไม่ลืมแต่ฟัง แต่ทำที่มันฝังอยู่ในความจานี่มันลืมได้ถ้าเราฟังแล้วพยายามจอท่องจำแต่เราไม่เข้าใจความหมายของธรรมที่เราต้องทำไว้เดี๋ยวถ้าเราไม่จำเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวสิ่งที่เราจำมันก็จะจางหายไปได้แต่สิ่งที่เราเข้าใจที่ฝังอยู่ในใจเรานี้มันจะไม่จางหายไปถึงแม้ว่าเราจะไปทากิจกรรมอะไรต่างๆก็ตาม ถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะอยู่ในใจของเราไปตลอดเนนี่คือการฟังธรรมเราต้องการฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจเราไม่ต้องการฟังเพื่อที่จะจดจำเพราะการจดจำนี้จะทำให้เราลืมได้แต่การเข้าใจนี้มันจะไม่ทำให้เราลืมพอเราเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในใจเราไปหลอดในวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมเราจึงต้อง ฟังทำอย่างเดียวไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นพร้อมๆกับการฟังทำเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังทำเราจะฟังทำแบบไม่รู้เรื่องรู้แบบไม่เต็มร้อยรู้แบบครึ่งๆกลางๆก็จะไม่ทำให้เราสามารถไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แล้วจะทำให้เกิดผลที่เราต้องการขึ้นมาได้นั่นเองดังนั้นสาหรับท่านที่ชอบทำอะไรแล้วก็ฟังทำไปอันนี้ก็ไม่ว่าไม่ห้ามแต่ถ้าอยากจะได้ประโยชน์มากกว่าก็ควรที่จ ะ, ะนั่งเฉยๆอย่าทำอะไรถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากทำเต็มร้อยก็ควรที่จะฟังเต็มร้อย อย่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นพร้อมๆกันไปสู้ปฏิบัติสู้ทำกิจกรรมอย่างเดียวดีกว่าเพราะการกระทำทากิจกรรมอย่างเดียวด้วยการมีสติก็จะเป็นการปฏิบัติไปในตัวเป็นการปฏิบัติสตินั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญเวลาเราฟังทำเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะก้าวหน้าในการปฏิบัติทำได้เราต้องมีสติ การมีสติก็คือให้ใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวแล้วก็ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเช่นเรากำลังทำงานก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นกำลังขับรถก็ให้อยู่กับการขับรถเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการขับรถแล้วก็ฟังธรรมควบคู่กันไปเพราะสติเราก็จะไม่ได้ พอใจเราก็แกว่งไปแกว่งมาไม่นิ่งไม่อยู่เรื่องเดียวเดี๋ยวอยู่กับการขับรถแล้วเดี๋ยวก็กลับมาฟังธรรมกลับไปกลับมาได้แบบครึ่งๆึกลางๆเอ ง, องจะเหมือนกับเอเหมือนกับน้ําร้อนกับน้ําเย็นมาปนกันเอจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นเพราะเอาจะเอาทั้งสองอย่างพร้อมๆกันซู้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า อยากจะได้น้ำร้อนก็เอาน้ำร้อนอย่างเดียวอยากจะได้น้ำเย็นก็น้ำเย็นอย่างเดียวเทใส่กันทีละแก้วดีกว่าตอนนี้เอาน้ำเย็นก็เอาน้ำเย็นอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาน้ำร้อนอย่าเอาทั้งเย็นร้อนทั้งเย็นในแก้วเดียวแล้วมันจะไม่ได้น้ำเย็นเลยได้น้ำร้อนมันจะได้น้ำอุ่นแทนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเลยไม่ต้องฟัง ถ้าจะฟังก็อย่าปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติสติก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นอันนี้เราก็จะได้สติถ้าเราอยากจะได้ฟังทำอยากจะได้ความรู้เราก็หยุดทำกิจกรรมแล้วนั่งเฉยๆอยู่นิ่งเฉยๆร่างกายอยู่เฉยๆวาจาไม่พูดไม่คุยกับใคร เป็นบางทีฟังธรรมไปมีเสียงโทรศัพท์มาก็รับเสียงรับโทรศัพท์แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปพร้อมๆกับการฟังธรรมอย่างนี้ก็จะไม่ได้รสชาติแล้วเพราะจะฟังไม่รู้เรื่องจะคุยก็คุยกันไม่รู้เรื่องได้แบบครึ่งๆกลางๆถ้าอยากจะคุยกันก็ปิดเสียงธรรมซะก่อนคุยกันให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาฟังธรรมต่อเออย่างนี้จะได้ประโยชน์กว่าทั้งสองฝ่าย คุยกันจะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วเวลาฟังธรรมฟังธรรมอย่างเดียวก็จะได้รู้เรื่องเรื่องของธรรมอย่าฟังไปพูดคุยกันไปแล้วมันจะได้แบบครึ่งครึ่งกลางกลางนี่ก็คือวิธีการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือเป็นการอ่านหนังสือธรรมะก็เช่นเดียวกันอ่านหนังสือธรรมะบางคนก็ชอบเปิดเพลงฟังไปด้วย ก็ไม่ดีใจมันก็ไปสองที่อยู่ที่หนังสือแล้วก็ไปอยู่ที่เสียงธรรมเสียงเสียงเพลงมันก็จะทำให้ใจแกว่งไปแกว่งมาก็จะไม่จดจอ่ออ่านแล้วก็จะไม่เข้าใจหรืออาจจะต้องอ่านหลายหลายรอบกว่าจะเข้าใจแต่ถ้าเราตั้งใจอ่านเพียงอย่างเดียวไม่ไปฟังอะไรทั้งนั้น การอ่านครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นมาได้เล ย, เ, ยเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองถ้าไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องผลต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานการศึกษาที่ถูกต้องก็จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ้าศึกษาไม่ถูกต้องก็จะไม่นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะไม่เป็นสุปฏิปันโนอย่างคนที่เราเห็นว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก็เป็นเพราะว่าเขามาเขาไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องเขาเลยไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่ผู้ที่ศึกษาอย่างถูกต้องเวลาเขาปฏิบ <hayat> ัติเขาก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นสุปฏิปันโน เมื่อเป็นสุปฏิปโนโลแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับของขั้นของการปฏิบัติเการปฏิบัติก็เป็นขั้นๆมีหลายขั้นเป็นขั้นบันไดที่เราจะต้องปฏิบัติไปตามขั้นบันไดเหมือนเวลาเราเดินขึ้นบ้านนี่ขึ้นบันไดเราก็ต้องขึ้นขั้นที่หนึ่งก่อนถึงค่อยขึ้นขั้นที่สองได้เราค่อยไปขั้นที่สามตามลําดับต่อไป การสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเป็นขั้นๆถ้าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เรายังเกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทองกับการหาเงินหาทองอยู่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้จักวิธีใช้เงินที่ถูกต้องใช้เงินเพื่อตัดภพตัดชาติอย่าไปใช้เงินเพื่อเพิ่มภพเพิ่มเพิ่มชาติขึ้นมาใช้เงินทองที่เพิ่มภพเพิ่มชาตินี้ใช้อย่างไร ก็ใช้ตามความอยากนี่อยากได้อะไรก็ซื้อมาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้ออยากดูอะไรก็ดูซื้อมาดูหรือเสียจาย่ายเงินเพื่อจะได้ไปดูสิ่งที่อยากดูอันนี้เป็นการทําตามความอยากการเป็นการทําตามความอยากก็เป็นการเพิ่มภพชาตินั่นเองเพราะความอยากนี่แหละคือผู้ก่อภพก่อชาติ ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกที่เป็นผู้สร้างภพสร้างชาติพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่สร้างภพสร้างชาติก็คือความอยากสามประการนี้คือกามะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะ้ะความอยากมีอยากเป็นอยากได้เสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาใส่อยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าอยากสวยอยากงามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น ความอยากที่จะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายหรือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองเพื่อไปต่อสู้กับความไม่ความแก่ความเจ็บความตายแต่จะสู้ยังไงก็สู้มันไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจนได้เหตุนนเวลามีเงินเราอยากจะใช้เงิน อย่าใช้ไปตามความอยากเวลาอยากจะซื้ออะไรอยากจะดูอะไรถามว่าจําเป็นไหมถ้าจําเป็นก็ไม่เป็นความอยากคํ า, ค ว, าว่าจําเป็นหมายความว่ายอย่างไรก็หมายความว่าถ้าไม่มีมันแล้วตายหรือไม่ถ้าแมไม่มีมันแล้วตายอย่างนี้ก็เรียกว่าจําเป็นเช่นถ้าไม่มีข้าวกินนี้ตายไหมถ้าไม่ได้กินตลอดไม่กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องตาย อย่างนี้ก็ต้องกินอถ้ากินข้าวอย่างนี้ก็ไม่ได้กินไม่ได้ทำตามความอยากทําตามความจําเป็นแต่ถ้ากินอิ่มแล้วยังอยากจะกินอีกอย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเป็นความอยากถ้ากินแล้วร่างกายอิ่มแล้วแต่ยังอยากกินอีกนี่ก็ต้องหยุดกินอย่าไปกินตามความอยากเพราะกินตามความอยากมันจะทําให้อยากไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้ต้องกลับมาเกิด เพื่อกลับจะได้กลับมากินอีกอย่างนั้นถ้าเรามีเงินแล้วเราอยากจะใช้เงินเพื่อให้เกิดความสุขอยากใช้เงินตามความอยากถึงแม้จะเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมให้ใช้เงินเพื่อเอาเพื่อให้เกิดความสุขจริงดีกว่าความสุขจริงที่เกิดจากการใช้เงินใช้อย่างไรก็ใช้กับการทําบุญทําทานนี้เองถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินใช้ทอง ก็เอาเงินไปทำบุญทำทานไปบริจาคไปช่วยเหลือสถานที่ต่างๆจะเป็นวัดก็ได้เป็นโรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้สถานคนชราก็ได้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้สภ า, าชาติก็ได้สถานที่ไหนที่เขาทําประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วเราได้เปเป็นมีส่วนร่วมกับการที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี้ มันก็จะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอแล้วการใช้เงินแบบนี้จะตัดภพตัดชาติเพราะเราจะไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้ตามความอยากนั่นเองทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของไม่จําเป็นไปเที่ยวไปกินไปดื่มเราก็เอาไปทําบุญหลังไปความอยากที่จะเที่ยวก็หมดไปเพราะเราไม่ส่งเสริมมันไม่ทําตามที่มันต้องการ ภพชาติก็จะเหลือน้อยลงไปเราก็ถ้าเรายังกลับมาเกิดเราก็จะไม่กลับมาเกิดเพื่อมาหาเงินหาทองเพื่อเราจะได้เอาเงินทองไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆถ้ากลับมาเกิดก็กลับมาเพื่อมาปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปกว่าการทำบุญทาทานแล้วมันจะทำให้เราจะได้หลุดพ้นจากภารกิจของการหาเงินหาทอง พรละถ้าเรายัางต้องใช้เงินใช้ทองตามความอยากอยู่เราก็ต้องหามันอยู่เรื่อยๆหามาแล้วก็ต้องเอาไปใช้ใช้หมดก็ต้องไปหาใหม่มันก็จะทำให้เราติดอยู่กับการหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทองมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมที่จะตัดภพตัดชาติให้ได้มากกว่านี้ คือขั้นที่สองของการปฏิบัตินอกจากการทําทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลเพราะการไม่รักษาศีลก็จะทําให้ใจเรานี้ไปสร้างเวรสร้างกรรมไปเกาะพบก่อชาติอีกเหมือนกันการไปฆ่าผู้อื่นไปการไปทําบาปนี้ก็เป็นการไปเพิ่มพบชาติเพราะการทําบาปนี้เกิดจากความอยากนั่นเองเวลาโกรธใครเกลียดใครก็อยากจะฆ่าเขา เวลาเห็นมีทรัพย์สมบัติของผู้ อ, อยากได้ก็ไปขโมยอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมความอยากการทำบาปเป็นการส่งเสริมความอยากเป็นการส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดและการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ต่าในภพที่ไม่ดีคือเป็นการส่งเสริมการไปเกิดในอบายนั่นเองการกระทำบาป พ, พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เรามาอา่ เลิกทำบาปกันเราทำบุญได้แล้วเราก็จะเลิกทำบาปได้ง่ายถ้าเรายังทำบุญไม่ได้นี้เราจะทำบุญได้ยากเพราะทำบาปเราจะเลิกทำบาปได้ยากเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราไม่ได้ทำบุญนี้แสดงว่าเรายังต้องการเอาเงินไปใช้ตามความอยากอยู่แล้วพอเงินที่เราใช้หมดบางทีเราก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปเช่นเ้า ทำงานเงินเดือนไม่พอใช้กับความอยากของเราเราก็อาจจะต้องไปขมโมยไปช่อโกงไปรักทรัพย์ของผู้อื่นมาเพื่อที่เราจะได้เอาเงินไปใช้ตามความอยากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปไปรักทรัพย์ไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงดังนั้นถ้าเราทาบุญทาทานได้ เราก็จะรักษาศีลได้เราจะละเว้นจากการกระทําบาปทั้งห้าข้อได้บาปละอบายามุกด้วยละเว้นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและละเว้นอบายามุกคือการเดินโซลาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นนิสความมีความเกลียดแค้นเนี่ยอบายเหล่านี้อ่ะอบายามุกเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องไปทําบาป ถ้าเรากำจัดอบายามุกได้ด้วยการทาบุญเราก็จะไม่ต้องมาทำบาปเราก็จะตัดภพไดเราก็จะปิดประตูอบายได้ถ้าเราไม่ทำบาปเลยเวลาตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายเกิดจากการทำบาปถ้าไม่มีการทำบาปก็จะไม่มีอบายตามมาอ น, นี้ก็คือการปฏิบัติขั้นที่สองถ้าเรา ผ่านขั้นที่หนึ่งได้เราเลิกใช้เงินซื้อความสุขต่างๆได้เราก็ไม่ต้องดิ้นรนไปหาเงินมากเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการทำบาปแล้วก็จะทำให้เรามีเวลาเพราะเราไม่ต้องไปทำงานมากไม่ต้องไปหาเงินมากหาเท่าที่จำเป็นหาเท่าที่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะทำให้เรามีเวลาที่เราจะได้ไปปฏิบัติขั้นที่สามคือการภาวนา การไปพัฒนาจิตใจการทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำใจให้สงบทำใจให้เกิดความสุขกาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปต้องเกิดจากการปฏิบัติขั้นที่สามคือขั้นขั้นภาวนาการจะเข้าถึงขั้นที่สามได้ก็ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งที่สองก่อน <c oughs> ต้องทำบุญทาทานได้ต้องเลิกใช้เงินไปซื้อ ไปไทยกับความอยากต่างๆได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆเราจะได้มีเวลามาบําเพ็ญมาภาวนาได้เมื่อเรามีเวลาภาวนาเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดได้เพราะการภาวนานี้จะมีเวลาภาวนาก็ต่อเมื่อเราถือศีลแปด ถ้าเรายังไม่ถือศีลแปดเวลาที่เราจะมาภาวนาก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะถ้าเราถือศีลห้าเรายังไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ยังไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ยังไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยังไปรับประทานอาหารตามความอยากต่างๆได้ยังไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ แต่ถ้าเรามาถือศินแปดเราก็จะไม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมเหล่านี้เมื่อไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่เวลาที่จะมาะภาวนาภาวนานี้ก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าส ม, มะถะภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขก่อนเมื่อใจมีความสงบมีความสุขแล้วเราก็ไปภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนา วิปัสสนาก็จะสอนใจให้เราเห็นว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด น, นำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายกายกองไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่ไปหาความทุกข์ทุกครั้งที่เกิดความอยากถ้าเรามีวิปัสสนาเราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรทำตามความอยากแล้วถ้าเรามีสมถะภาวนาเราก็จะ หยุดความอยากได้เราจะไม่ต้องทําตามความอยากได้เพราะเวลาเราทําสัมถาภาวนาเราหยุดความคิดพอเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้นี่ก็คือขั้นตอนของการจัดภบจัดชาติให้หมดไปต้องทําตามสามขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องทําบุญทําทานรู้จักใช้เงินใช้ท่อง ถ้าจะใช้เงินใช้ทองให้เกิดประโยชน์ก็เอาไปทำบุญทำทานอย่าไปใช้ตามความอยากเพราะจะเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเมื่อทำบุญทำทานได้แล้วก็รักษาศีลห้าต่อรักษาศีลห้าได้ก็รักษาศีลแปเมื่อรักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลาไปภาวนาไปทำใจให้สงบเมื่อใจสงบมีความสุขก็จะเลิกทาตามความอยากต่างๆได้ เวลาเกิดจะทำความอยากก็อาศัยวิปัสสนามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะความอยากจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนำไปสู่ภพชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุดนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆสู้กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่ามาภาวสมมะสมถะภาวนาหยุดความอยากหยุดความคิดดีกว่าถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกครั้งต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจ เมื่อหมดไปจากใจการเวียนว่าตายเกิดก็จะหมดไปไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็ถือว่าเราได้รับรางวัลได้ขึ้นรางวัลครบบริบูรณ์ครบทั้งสี่ขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สา ม, ข, สามขั้นที่สี่เกิดจากลดปริมาณของความอยากแต่ลัชนิดให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆตามลำดับจนหมดไปในที่สุด เ, เมื่อหมดแล้วเราก็จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ของ กที่เราได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการคือได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการมาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าเรากำลังมีอะไรที่มีคุณค่าเราจะได้ม า, าพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่นี้ให้เกิด คุณค่าได้อย่างเต็มร้อยตอนนี้เราได้สามอย่างแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนายังไม่ตายแต่เรายังฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้เต็มที่นี่คือสิ่งที่เรายังขาดทําให้มันครบสี่ประการมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมให้ครบเต็มที่ให้เกิดผลขึ้นมาเมื่อได้เกิดผลนั่นหละเอว่าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้ว ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ถือว่าเราได้รับรางวัลแล้วเมื่อเราได้รับรางวัลแล้วทีนี้เราก็ไปฉลองรางวัลที่เราได้รับก็คือมีความสุขไปตลอดนิบานังปรมังสุขขังพอเราได้ถึงขั้นนิ่ผ่านแล้วเราก็จะได้พบกับบรมมาสุขคือความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อม สุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันจเจริญหรือเสื่อมสุขเสมอไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขที่เรากาลังมีอยู่กันตอนนี้เป็นความสุขแบบขึ้นๆลงๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สลับกันไปสลับกันมาแต่ความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่มีวันเสื่อมมีเป็นความสุขเต็มร้อยตลอดเวลา นี่คือรางวัลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ถูกวัตถุรีรางวัลที่หนึ่งคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ได้มีชีวิตอยู่เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อรับรางวัลอันยิ่งใหญ่นี้ก็คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 ภราสยาาสพภิติโยวิวาชานตุสัพพโรโคมินาสตุมาเตภวัตวรรณตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนศีริสานิจจังวุทฒาปจายิโนจตารุธรรมวทาติอายุวันโอสุขัง า, ล, าลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือจะเขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้แต่ขอให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามต่อเพราะหมดเวลาถ้าอยากจะถามเวลานี้มีเวลาถามได้ ไม่อยากจะถามเองก็เขียนข้อความมาให้ผู้ผู้ผู้ประกาศอ่านให้ก็ได้ที่ให้ถามตอนนี้เพราะจะได้รับประโยชน์กันทุกคนถ้าเราถามตอนหลังนี่มันจะได้รับเฉพาะคนสงเฉพาะตัวเราเท่านั้นเองคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่มีเวลาด้วยเพราะหมดเวลาวันนี้ทางเฟ o บุ๊กยูท b บเข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ f a c e b o ๊ k สูงสุดสามร้อยสามสิบหกค่ะแล้วก็ y o u t u หนึ่งร้อยยี่สิบสองแล้วก็ Radio ออีกสิบหกค่ ะ, ะเกือบห้าร้อยคนมาที่นี่กับประมาณร้อย้ <12 4. S 2> 100, อยสีก็หกเจ็ดร้อยหกร้อยกว่าถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากบนเขานะคะหนูเพิ่งไปอังกฤษกลับมาเมื่อปีที่แล้วนั่นเป็นครั้งแรก ตอนนั้นจ้างบริษัทให้เขาทำเรื่องขอวีซ่าให้ลักษณะการทำงานของเขาบอกว่าพูดตรงไปตรงมาก็เลยตัดสินใจทำกับเขาแต่เมื่อถึงเวลาทางสถานทูตเขาโทรสอบสัมภาษณ์ทางบริษัทเขาให้เราตอบตามที่เขาบอกซึ่งในบางข้อตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงถึงตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยจำต้องตอบคาถามที่เขาบอกแต่ทีนี้แฟนเขาอยากให้หนูไปอังกฤษอีก หนูถามทางบริษัทเขาบอกว่าครั้งที่สองสามไม่มีการสอบสัมภาษณ์แต่ทีนี้ว่าข้อมูลของเราในครั้งแรกมันปรากฏในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อเขาว่าหนูตัดสินใจไปอีกจะผิดศีลอะไรหรือเปล่าคะก็เมื่อไม่ไปพูดอีกมันก็ไม่ผิดอีกก็ผิดครั้งเดียวถ้าต้องพูดอีกก็ผิดอีกครั้งที่สองสแสดงว่าเขาเชื่อคาพูดเราแล้วเขาก็เลยไม่มาถามเรา เราก็เลยผิดครั้งเดียวถ้าเขาถามผิดเราพูดผิดอีกก็ผิดครั้งที่สองอย่างนั้นก็ถือผิดว่าถือผิดครั้งเดียวเนี่ยที่เราต้องทําบาปก็เพราะเรายังมีความอยากอยู่ถ้าเราไม่อยากไปไม่อยากจะตามใจแฟนเราบอกถ้าไปต้องไม่ไม่ทําบาปไม่โกหกถ้าไปได้ก็ไปถ้าต้องโกหกไม่ไปออย่างนี้ก็ถือว่าเรามีศีลเราก็ตัดความอยากไป ไปต่างประเทศได้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อยู่บ้านก็มีความสุขถ้าไม่มีความอยากไปแล้วอยู่บ้านก็มีความสุขคาถามต่อไปค่ะหากว่าเราตายไปแล้วจิตของเราจะเห็นจิตของคนที่เรารู้จักในโลกวิญญาณไหมคะหรือถ้าหากว่าเจอคนรู้จักในโลกวิญญาณจะจำกันได้ไหมคะกลัวว่าจะเป็นวิญญาณแล้วว้าเวไม่รู้จักใครค่ะอ๋อไม่ว้าเวหรอ อยู่ที่ว่าจิตเรามีบุญหรือมีบาปถ้าจิตมีบาปมันก็จะว้าเหว์วุ่นวายถ้าจิตมีบุญก็จะมีความสุขจะพบกับบุคคลต่างๆที่เรารู้จักเคยรู้จักเคยพบเคยเห็นกันเพราะมันเป็นเรื่องของจินตนาการเหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไปนี่เองจิตเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะสร้างคนนั้นคนนี้มาให้เราพบกับเขา ด้วยการทำความดีเพราะเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ทำความดีกับเขาพอเราหลับเราก็จะฝันถึงเขาเขาก็เหมือนกับเข้ามาหาเราเออ น, นขอให้เราทำความดีทำบุญไว้ก็แล้วกันแล้วเวลาเราไม่มีร่างกายเราจะได้ฝันดีฝันยาวคาถามจากคุณเอกคะ่ะถ้าจะขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ได้โปรดช่วยแสดงธรรมเกี่ยวกับ ปฏิจจส ม, มุบาภให้ผมมีโอกาสได้ฟังเป็นบุญสักครั้งจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่สุดเลยครับก็เคยแสดงอยู่เรื่อยๆปฏิจจส ม, มุบาท ค, คือการแสดงการเดินทางของความอยากนี่แหละของกิเลสเราเริ่มด้วยอวิชชาอาวิชชาก็คือความหลงความไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนไปหลงไปคิดว่าความสุขอยู่ที่ข้างนอกใจ ก็เลยต้องไปหาตาหูจมูกลิ้นกายก่อนจะไปหาจมูกลิ้นกายก็ต้องคิดพอคิดแล้วก็จะส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นไปก็จะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถ่าพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดเวทนาความรู้สึกความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาพอเกิดความเวทนา เกิความรู้สึกก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาความอยากถ้าเจอความสุขก็อยากจะให้สุขนานถ้าเจอความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆเอมันก็เลยทําให้เกิดอุปท า, านเอยึดติดกับสิ่งที่เราเอาได้สัมผัสรับรู้เอเลยทําให้เราต้องไปมีภาวะไปเกิดใหม่เวลาสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้หมดไปเราก็ไปหาใหม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่ พอรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้หมดก็ไปหาใหม่เช่นไปเที่ยวกลับมาภาพรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้รับจากการไปเที่ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปใหม่ไปอยู่เรื่อยพอเราไม่มีร่างกายก็ไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อันนี้เรียกว่าปฏิจจสา ม, มุปบาทเริ่มต้นที่วิชาความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจถ้าร่วมความสุขในี้ในใจก็หยุด หยุดความคิดปรุงแต่งส่งใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสใจอยู่ในความสงบก็จบไม่มีความอยากตามมาคำถามจากคุณปราพศรค่ะลูกทำงานเป็นครูต้องดุว่าตักเตือนเด็กตลอดเวลาและสภาพแวดล้อมการทำงานค่อนข้างกดดันบางครั้งก็ทำให้เกิดอารมณ์โมโหต่างๆลูกนั่งสมาธิ ฟังทำก่อนนอนเป็นประจำพอวันต่อมาก็ใช้ชีวิตเช่นเช่นเดิมทุกครั้งมีอารมณ์เหล่านี้ทุกครั้งการทำสมาธิของลูกจะได้ผลหรือไม่คะมันก็ได้ผลตอนที่เราทำเทานั้นเองจะทำให้จะให้มีผลดีในระหว่างที่เราทำงานก็ต้องมีสติตลอดเวลาต้องฝึกสติอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์พอเราเริ่มรู้ว่าเรามีอารมณ์เราก็ควรจะหยุดมันเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลามีอารมณ์มีความรู้สึกไม่ดีอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไระไว้ให้มันอารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยไปพูดเช่นเวลาจะไปว่าดุเด็กว่าอันถ้าอารมณ์ไม่ดีก็เฉยๆไปก่อนอพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายมากกว่าอย่าพูดดีกว่า คำถามจากคุณประสิทธิ์ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ที่ว่าบุญกับบาปเท่ากันก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ถ้าแต่ถ้าเด็กบางคนเกิดเกิดมาก็มีอาการ32ไม่ครบบ้างก็ตายก่อนทำไมผลบาปจึงแสดงผลก่อนครับผลบาปนี่เป็นผลที่มันยังตกค้างอยู่ในใจ เพีงแต่ว่าบาปมันไม่มีกำลังที่จะดึงไปเกิดในอบายให้ไปเป็นเดรัจฉานได้มันก็เลยได้มาเป็นมนุษย์เพราะบุญกับบาปมันมีกำลังพอๆกันแต่บาปก็ยังมีอยู่บุญก็ยังมีอยู่บาปที่มันพาให้เราไปเกิดในอบายพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันยังส่งผลต่อมันทำให้เรามีอาการไม่ครบสามสิบสองบ้างมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามบ้าง แต่ถ้าเรากลับมาจากการไปใช้บุญเนี่ยบุญยังมีเหลืออยู่บุญยังมีมีมีมีผลต่อการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราอยู่ทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบสามสิบสองเหล่านี้อันนี้เกิดจากการที่เรากลับมาเกิดจากที่สูงจากเวลาเราไปสวรรค์กลับมาเนี่ยมันเรายังมีความ ความความดีหลงเหลืออยู่เหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศกลับมายังมีเงินดอนที่เราใช้ไม่หมดกลับมาอยู่เราก็เอามาใช้ต่อได้ yeah. คำถามจากคุณสุริยาค่ะกับเรียนถามครับการที่เรามีความสงบที่จิตและเกิดอุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมาอุเบกขาที่เกิดจะมีผลกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ครับ แล้วมีโอกาสเสื่อมไหมครับมีเพราะว่าอุเบกขาที่เกิดจากสมาธินี่เหมือนเหมือนกับน้ําที่เราไปแช่ในตู้เย็นเวลาอยู่ในตู้เย็นมันก็เย็นพอเราเอามาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่ทิทงไว้สักระยะหนึ่งแลเดี๋ยวความเย็นก็หายไปจิตของเราที่ได้สมาธิได้อุเบกขาพา อ, อจากสมาธิมาก็เหมือนออกจากออกจากตู้เย็น แล้วพอมารับรู้เรื่องราวต่างๆรูปเสียงกลิ่นลดก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาซึ่งเป็นความร้อนตัณหาความอยากก็เลยจะทำให้อุเบเลยขาเราค่อยๆเสื่อมไปที่เราเล็กเทาน้อยเดี๋ยวจากเย็นก็กลายเป็นร้อนขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าใจเราร้อนแล้วก็แสดงว่าอุเบเล้ขาเราหมดแล้วเราก็ควรจะกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่เหมือนกับถ้าน้าเย็นที่เราเดืมมันไม่เย็นแล้วเราก็เอาน้ากลับใส่เข้าไปในตู้เย็นใหม่ การนั่งสมาธิก็คือการทำให้ใจเราเย็นพอออกมาแล้วถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญารักษามันก็เดี๋ยวมันก็จะถูกความอยากมาทำลายให้ให้มันร้อนแต่ถ้าเรามีสติรักษาได้เราก็ยังสามารถรักษาอุเบกขาไว้ได้ต่อไปก็จะจะจะร้อนขึ้นช้าหน่อยแ้่เรายังมีสติออกมาก็พุโทโธพุโทโธต่ออย่าปล่อยให้ความอยากกโผลขึ้นมา ถ้ามีความอยากโผล่ขึ้นมาก็ใช้พุโทโธพุธโทโธระ ง, งับมันเราก็ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิเพราะมันยังมีอุเบกขาอยู่หรือถ้าเรามีปัญญาพอเกิดความอยากแล้วเราใช้ปัญญาหยุดมันได้ไม่ทําตามความอยากได้อย่างนี้ยิ่งดีไงเพราะความอยากมันจะไม่กลับมาอีกความอยากที่เราระ ง, งับด้วยปัญญามันจะไม่กลับมาอีกแล้วต่อไปความอยากก็จะน้อยลงน้อยลงใจเราก็จะอยู่ ข้างนอกสมาธิอย่างมีอุเบกขาได้โดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิคำถามต่อไปจากคุณพริมพภัยคะ่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์คะ่ะคารวะที่บรรลุธรรมขั้นสูงหรืออรหันต์สามารถรับรองผู้ปฏิบัติธรรมว่าสำเร็จขั้นไหนแล้วและจะรู้สึกไม่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังไม่ถูกต้องถ้าอรหันนี้จะไม่มีความอยากอยากเดินจงกรมก็ไม่มีไม่อยากเดินจงกรมก็ไม่มีคือเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้ถ้ายังมีความอยากไม่เดินอยู่ก็แสดงว่ามันก็ยังมีความอยากอยู่คำถามจากคุณสันพบค่ะหากช่วงนี้มีวิบากกรรมเข้ามาจนแทบไม่ไหวแล้ว ควรวางแนวความคิดอย่างไรดีครับบุญทำอยู่ไปบ่อยครับก็คิดว่าเราเหมือนอยู่อยู่ใต้พายุก็แล้วกันเวลามีพายุมาเราก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็อยู่เฉยๆพยายามอยู่เฉยๆแล้วก็พยายามหลบพายุหาที่หลบหลบได้หลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ต้องทนไปเวลาเจอวิบากกรรมก็เหมือนมีพายุมาใส่ชีวิตใส่ใจเรา ก็ต้องอาศัยธรรมะของพุทธเจ้าคือเบกขาคือสติอย่าไปทำอะไรตอนนั้นก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ทำใจให้นิ่งให้เฉยไปแล้วปล่อยให้พายุมันผ่านไปให้เหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเฉยๆอย่างเดียวคำถามต่อไปคะ่ะกาบเรียนสอบถามพระอาจารย์คะ่ะข้อที่หนึ่งคที่ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตการเห็นธรรมนั้นคือการปฏิบัติภาวนาใช่หรือไม่เจ้าคะใช่การเห็นธรรมก็คือการเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีก็มาจากพระพุทธเจ้ า, างั้นถ้าเราเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นเราก็จะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราได้เห็นพระพุทธเจ้าเอไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือเปล่า ถ้าเราเห็นอริยสัจสี 4, ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นคนมาบอกเรามาสอนเราเราก็ต้องเชื่อว่าต้องมีคนคนที่มาบอกเราต้องมีคนที่ก็มาบอกเราคือพระพุทธเจ้าก็ต้องมีถ้าเราเห็นครรําสอนของท่านเห็นสิ่งที่ท่านเห็นแล้วเราเราก็ต้องรู้ว่ามันคนที่สอนคนที่เห็นก็ต้องมีคนที่มาบอกเราก็ต้องมีเงี้ได้เห็นคําสอนของพุทธเจ้าเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราเราก็จะ เห็นพระพุทธเจ้าคำถามข้อที่สองค่ะการภาวนาจะไม่ขยับขยื่นร่างกายใดๆแล้วเพ่งที่ลมหายใจเขาออกเท่านั้นใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงขึ้นไปเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงลูกปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือไม่เจ้าคะก็จะกว่าจะได้ผลเน่ะ ถ, ถึงจะเรียกว่าถูกต้องตอนนี้จะเรียกว่าถูกก็ถูกเครื่องเดียวคือถูกที่เหตุ แต่เหตุยังไม่สมบูรณ์ถ้าเดินถ้านั่งชั่วโมงยังไม่สงบแสดงว่ายัางจิตยังไม่นิ่งสติยังไม่ต่อเนื่องดูลมแล้วก็เดี๋ยวแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะยังไม่สงบถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องบางทีดูลมเพียงห้านาทีสิบนาทีจิตก็สงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ได้แต่ถ้านั่งได้ชั่วโมงเดินได้ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่ง แต่เดินแบบไหนนั่งแบบไหนนี่ก็ยังไม่รู้อาจจะเดินไปคิดไปนั่งไปคิดไปถ้าอย่างนี้ก็ยังนั่งไม่ถูกต้องนั่งแล้วไม่คิดเดินแล้วต้องไม่คิดให้รู้เฉยๆอย่างนี้ถึงจะถูกคาถามจากคุณชนะตนค่ะปฏิบัติมาโยมรู้สึกว่าอุเบกขาจากสมาธิจะหนักแน่นไม่กระเทือนตามสิ่งที่มากระทบแต่อุเบกขาจากปัญญาจะเบาสบาย กระทบอะไรก็ไม่กระเทือนใช้คำถะใช้คำอาจไม่ถูกแต่รู้สึกน้าหนักไม่เหมือนกันไม่ทราบว่าถูกหรือไม่ค้าพระอาจารย์ใช่ถ้าเป็นโอเบขาจากปัญญามันจะหนักแน่นกว่าโอเบขาจากสตินี่มันจะยังวอกแวกอยู่มันจะไม่ถ้าเป็นเหมือนปักเสาก็ถ้าเป็นสติก็ลงไปได้แค่นิดหนึ่งเสาก็ยังคคนแคนได้อยู่ถ้าปักด้วยปัญญานี่มันจะแข็งปึ๊กเลย มันจะไม่หวนจะมันมันจะไม่เคลื่อนอย่างแต่ตอนต้นเราก็ต้องอาศัยอุเบกขาจากสติก่อนเพราะมันง่ายกว่าแต่ถ้าเรามีอุเบกขาจากสติแล้วเราก็พัฒนาจากนั้นให้ไปเป็นอุเบกขาของปัญญาด้วยการหมั่นพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยาสัจสี่เรื่อยๆแล้วต่อไปจิตของเราก็จ ะ, ะมีอุเบกขาจากปัญญาคำถามต่อไปค่ะกาบมัสก การวสการกพระอาจารย์ขอถามคำถามนะเจ้าคะถ้าหมดกำลังใจเพราะอาชีพอะไรก็ล้มเหลวทำอาชีพหนึ่งก็ปีถึงสองปีแต่ยิ่งทำก็ยิ่งแย่ก็เลยเปลี่ยนอาชีพใหม่ทุนหายกาไรไม่มีเหนื่อยใจเหลือเกินเจ้าคะ่ะคิดจะเริ่มอีกครั้งก็กลัวเหลือเกินหมดกำลังใจจริงๆคะ่ะ ก็ไปพักก่อนเดี๋ยวไปพักเพิ่มกำลังใจก่อนไปบวชสักพักหนึ่งก็ได้ลาบวชสักปีหนึ่งไปสร้างกำลังใจขึ้นมาแล้วพอมีกำลังใจแล้วเดี๋ยวก็จะมีมีเห็นช่องทางไปเองว่าจะทำอะไรตอนนี้มันอาจจ ะ, ะหมดปัญญาหมดกำลังก็ไปเสริมกำลังเสริมปัญญาด้วยการไปบวช เป็นผู้หญิงก็บวชถือศีลแปก็ได้ไม่ต้องบวชชีก็ได้จะบวชชีก็ได้โกนหัวก็ได้ก็บวชไปไม่เห็นไปอยู่วัดที่ไม่ต้องใช้เงินก็มีแต่ต้องใช้แรงงานหน่อยไปอยู่วัดที่เขาให้เราช่วยงานในวัดเช่นช่วยล้างถ้วยล้างชามช่วยทำกับข้าวอะไรทํานองนี้ก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเสียหายตรงไหนเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปอาศัยวัดกิน เราจะได้ว่าเราไปทำงานให้กับวัดเราเราจะได้อยู่อย่างมีสักมีสีตทางวัดเขายินดีที่จะจัดที่อยู่ให้จัดอาหารให้เราถ้าเราช่วยแล้วเราปฏิบัติแล้วเราก็ได้ปฏิบัติทำด้วยได้ทำจิตให้สงบได้เสริมกำลังใจเสริมสติเสริมปัญญารับรองได้เดี๋ยวหกเดือนปีหนึ่งนี่จะมีกาลังจิตกาลังใจที่พร้อมที่จะกลับมาลุยต่อ หรือทางเห็นดวงตาเห็นทางว่าคิดว่าไปทางนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องกลับมาเลยคําำถามจากคุณศักชัยค่ะเมื่อนั่งสมาธิแรกๆมีอาการเจ็บปวดข้อเข่าอย่างรุนแรงแต่นั่งตอบต่อสู้ไปเรื่อยๆจนความเจ็บปวดลดน้อยลงอย่างนี้ถือว่าเป็นความอยากไหมครับไม่หรอกการที่เรานั่งนั่งแล้วทนกับความอยากนี้ก็แสดงว่าเราหยุดความอยาก ความอยากให้ความเจ็บหายไปความอยากจะหนีจากความเจ็บเราก็หยุดมันด้วยการนั่งต่อไปคำถามจากคุณบารค่ะมีแมวหลงมาอยู่ที่บ้านเราจับไปทาบันบาปหรือไม่ครับการทาบันไม่บาปหรอกคำถามจากคุณจำปาค่ะดิฉันไปทำบุญที่วัดตอนตอนท่าน ดิฉันไปทําบุญที่วัดตอนท่านฉันข้าวขออภัยครัอาจารย์คําถามไม่ชัดเจนคะ่ะย่านผ่าบไปก่อนครแล้วกันค่ะการที้เขียนข้อความนี้ก็เขียนมาใหม่คําถามจากคุณวิไลพันธ์ค่ะการที่ไม่ชอบสวดมนต์แต่ชอบนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วจะทําให้หลุดพ้นได้ไหมคะเพราะเท่าที่ทราบมาคือต้องปฏิบัติควบคู่กันไปการสวดมนต์การนั่งสมาธิก็เป็น เป็นการปฏิบัติเหมือนกันคือทำใจให้สงบถ้าเราไม่สวดเรานั่งได้ก็ถือว่าเราไปขั้นที่สูงกว่าแล้วถ้าเรายังนั่งไม่ได้เราก็ต้องอาศัยการสวดพาเราขึ้นไปก่อนแต่ถ้าเรานั่งได้ก็สแสดงว่าจิตเรามีความวิสติกำลังพอที่จะนั่งได้เราก็ไม่ต้องสวดแต่ถ้าเรานั่งแล้ว ร, รู้สึกอ ด, อดับนั่งไม่ได้นั่งแล้วฟุ้งซ่าน เราก็ต้องอาศัยการสวดมนต์เพื่อที่จะระงับความฟุ้งซ่านเพื่อสร้างสติขึ้นมาก่อนคำถามจากคุณรสนาค่ะเวลาเรานอนเราภาวนาพุโทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออกแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถ้าเราต้องการทําสมาธิไม่ควรทํานอนตอนที่เราจะนอนทําควรจะทําทตอนที่ก่อนเราจะนอนเช่นนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหรือพุโทโธไปในเวลานอนนี้เรา ถ้าเราทำดูลมพุโทโธเดี๋ยวมันก็หลับมันไม่ได้มันไม่ได้สมาธิถ้าอยากจะได้สมาธิต้องอยู่ในท่านั่งท่านั่งนี้เป็นท่าหลับคําถามจากคุณสันพบค่ะกับสภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์นั้นมีเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับเลยอยากถามพระคุณเจ้าว่าถ้าคิดเป็นปริมาณความทุกข์สมัยนี้มากกว่าเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่ครับ คือความทุกข์นี่มันอยู่ที่ปริมาณของความอยากถ้ามีความอยากมากก็ทุกข์มากมีความอยากน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่มีความอยากเลยก็ไม่มีความทุกข์าำถามจากคุณกำบลทิพย์ค่ะมีสามีภรรยาคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันบ่อยมีปากเสียงกันบ่อยมีลูกด้วยกันสามคนแล้วพระอาจารย์มีคาแนะนำยังไงบ้างคะ ก็คิดว่าเราเป็นเหมือนบริษัทเป็นเพื่อนที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็คือลูกๆ ก, ก็อยู่กันเป็นแบบหุ้นส่วนก็แล้วกันก็คุยกันแต่เรื่องเรื่องธุรกิจเรื่องอื่นก็ไม่ต้องคุยกันแล้วก็ถ้าคุยกันถ้าตกลงกันได้ก็ต่างคนต่างไปหาความสุขของกันเองอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ยวต่างคนต่างไปเที่ยวกันไม่ต้องทํากิจกรรมร่วมกัน ทำเฉพาะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวกับการเลี้ยงดูครอบครัวจนกว่าลูกๆจะโตกันหมดแล้วก็แยกทางกันไปถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็อย่าฝืนอยู่กันไปหรือว่าถ้าอยากจะอยู่กันร่วมกันต่อไปก็ให้มองไปถึงตอนที่เราลักกันตอนที่เราพบกันใหม่ๆตอนนั้นลักกันอยเกินกินทำไมเดี๋ยวนี้ลักกันแบบนั้นไม่ได้ก็ต่างคนต้องถอยกันคนละก้าว ตอนที่เราพบกันใหม่ๆเราเอา อ, อกเอาใจกันแต่ตอนนี้เราไม่เอา อ, อกเกาใจกันนะเราเอาเอาเอา อ, อ ก, เอ า, ออกเอาใจเรามันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอยากมีความสุขเราก็ต้องกลับไปที่จุดที่เราเริ่มต้นคือเราต้องเอา อ, อกเอาใจกันหมดแล้วแลยอ่าถามต่อในายสองสามคำถามหนึ่งคาถามจากคุณธรรมชาติจัดสรรค่ะ กราบขอาการเรียนถามพระอาจารย์ครับในการทําสังฆกรรมบวชพระสวดปฏิโมกพระสงฆธรรมยุทธกับมหานิกายทําร่วมกันได้ไหมครับและสามารถทําข้อวัดปฏิบัติร่วมกันได้ไหมครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับการทํากิจกรรมบางอย่างนี้ทําร่วมกันได้บางอย่างทำทำร่วมกันไม่ได้ถ้าเป็นพวกการบวชพระในการลงปฏิโมกในท่านไม่ให้ทําร่วมกัน แต่ถ้าการบินตบาทการฉันเนี่สามารถทําร่วมกันได้ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ทําร่วมกันได้ทําถามจากคุณพรทิพย์ค่ะจิตมีความทุกข์กังวลโลเลเปลี่ยนไปมาเลือกไม่ถูกร้อนรนมากจะทํายังไงดีคะก็หัดใช้มากน้อยสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดได้ได้ไมาก็เอาอย่างนั้นอย่าไปชู้จี้จุกจิกะ คำถามจากคนท่องเที่ยวค่ะผมยังยึดกับความสงบใหญ่ที่เคยได้นับมาสิบปีมีวิธีอุบายละไหมครับพอมันไม่เป็นอีกทุกมากมากเพราะยังอาลัยกับความสงบนั้นมาตลอดครับต้องมองว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่มีวันกลับขึ้นมาได้อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกเราก็ต้องสร้างเหตุที่ทําให้มันเป็นอย่าไปคิดถึงผล ให้คิดถึงเหตุที่เราทําว่ามันมันสงบได้อย่างนั้นเพราะอะไรเราก็กำมากลับมาสร้างเหตุนั้นใหม่ถ้าเราสร้างเหตุด้านได้เดี๋ยวผลอย่างนั้นก็จะกลับมาเกิดใหม่คําถามจากคุณบีไนคะ่ะอยากกลับเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะว่าเวลาทํางานเจอคนหลายแบบบางคนเป็นคนหยาบคายและเห็นแก่ตัวซึ่งเวลาทํางานไม่สามารถเลี่ยงได้ควรจะทํำยังไงดีคะก็เป็นเรื่องปกตินะ นิ้วเรายังมีขนาดไม่เท่ากันเลยทำไมเราอยู่กับมันได้เรามีนิ้วก้อยมีนิ้วโป้งเนี่ยมันขนาดไม่เท่ากันไม่เหมือนกันถ้าเราไปอยากให้มันเหมือนกันเราก็จะวุ่นวายไปกับมันแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้ว่าทุกคนเหมือนกันเขาแต่ละคนก็เป็นเหมือนนิ้วที่มีขนาดไม่เท่ากันเราก็อยู่กันไปได้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราที่ไปอยากให้เขาเหมือนกันหมดทุกคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยากให้อยู่กับความจริงแล้วจะไม่มีปัญหาคำถามต่อไปค่ะสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะเวลาลูกเวลาลูกนั่งชัยพุทธโธแล้วดูลมหายใจเวลาเวลาเรานั่งเราคิดว่าสงบแล้วเราจะทาเราจะทราบได้อย่างไรคะเวลานั่งมันคือความสงบจริงๆค่ะ เ, ออเวลามันสงบจริงๆมันเหมือนกับ มันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากใจที่หนักนี่กลายเป็นใจที่เบาจากกลที่ร้อนกลายเป็นใจที่เย็นจากใจที่ยังอึดอัดกลายเป็นจิตที่สงบที่มีความสุขมันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือถ้ายังไม่เป็นก็แสดงว่ายังไม่ถึงก็ภาวนาต่อไปอย่าหยุดภาวนาพุทโธไปดูลมไปอย่าไปคิดว่าสงบอันนี้เป็นความคิดของเราเอง มันอาจจะเบาลงหน่อยเช่นคิดน้อยหน่อยใจก็เบาหน่อยแต่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เป็นแบบหน้ามือหลังมือให้มันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเราจะร้องอ๋ออ๋อนี่คือความสงบอขอให้ปฏิบัติไปนะอย่าท้อแท้ถ้ายังไม่เกิดผลก็แสดงว่าเหตุยังไม่พอต้องพยายามสร้างเหตุให้มากขึ้นเดี๋ยวผลก็เกิดขึ้นเองเพราะผู้ที่รับผลก็มีมาม า, มากมายก่กยายกองดังนั้นทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้ว